ผูชาก็ได้เวียนมาบรรจบครบครอบอีกครั้งหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ผู้เราชาวพุทธจะได้มาน้อมระลึก ถ, ถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่มีความสำคัญนะต่อประวัติของพุทธศาสนาซึ่งเราทุกคนก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะของประวัติศาสตร์นี้แลาพวกเราก็คงจะทราบดีนะว่า วันนาสาราบูชาเป็นวันที่ะระลึกนึกถึงเหตุการณ์ครางสำคัญในสมัยพุทธกาลนั่นก็คือการที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกการแสดงธรรมครั้งนั้นภายหลังก็เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นพระสูตรที่ครอบคลุม คำสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะแล้วคงทราบดีแล้วว่าคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็มีประมวลไว้ในพระไตรปิฎกนะซึ่งรวมแล้วก็45เล่มนะถ้าจะซอยมาก็ 84,000 พระธรรมขันธ์ แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็มาสรุปย่อยๆอยู่ในธรรมจักปะพวัฒนสูตรนะพระธรรมที่พระองค์ได้แสดงในครั้งนั้นนะก็มีอนุภาพมากทีเดียวเพราะว่าทำให้เกิดมีอริยสงฆ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะเริ่มต้นด้วยท่านโกนทัญญะท่านะนะนได้ฟังธรรม ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็ได้มาบวชนะเป็นภิกษุในพุทธศาสนาก็ทำให้เป็นครั้งแรกที่มีพระตนตรัยครบสามประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์วัานนัสสารบูชาก็จะเรียกว่าเป็นวันพระธรรมก็ได้หรือว่าจะเป็นวันพระสงฆ์ก็ได้ ที่เรยว่าเป็นวันพระธรรมก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นวันที่พระองค์ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำทั้งหลายทั้งปวงที่พระองค์ได้แสดงหลังจากนั้นก็หนีไม่พ้นในกรอบนะในแนวทางของธรรมจักกะวัธนสูตรก็คือเป็นเรื่องของอริยสัจสี 4, นะ่เป็นเรื่องของทุกข์ส ม, มุทยัย นิโรธแล้วก็มัก ร, รวมทั้งทางสายกลางี่เรียกว่านี่คือต้นแบบนะหรือต้นกำเนิดของธรรมทั้งปวงในพุทธศาสนาก็ว่าได้มันจะเป็นต้นน้ำมันนะต้นน้ำนี่ก็เป็นที่มาของแม่น้ำสายใหญ่ๆแม่น้ำสายใหญ่นะก็ล้วนแล้วแต่มีที่มา จากต้นน้ำสายเล็กๆนะจะเป็นเจ้าพยาจะเป็นแม่น้ำคงแม่น้ำนายพวกนี้ความยาวหลายร้อยกิโลหลายพันกิโลมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากต้นน้ำนะซึ่งก็เป็นลำธารสายเล็กๆ และก่อนจะเป็นลำธารสายเล็กๆมันก็เป็นหุดน้ำเชลยอ์ที่มารวมกันเป็นลำธารธรรมะทั้งปวงในพุทธศาสนาก็เรียกว่ามีต้นกาเนิดนะที่ธรรมาจักกบวัตนสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่เราจะได้ทำความศึกษ า, าและทำความเข้าใจไม่ใช่เพราะว่ามีความสำคัญต่อ พุทธศาสนาเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีความสําคัญกับตัวเราเองด้วยเพราะว่าที่โปร่งแสดงเนี่ยก็คือแผนที่สู่ความพ้นทุกข์ถ้าแผนที่นี้เนี่ยทุกคนสามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะไม่ใช่เฉพาะคนบางคนที่ใช้ได้แล้วก็พ้นทุกข์ได้เฉพาะตัว ใครทำใครใช้ก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะคำสอนนะที่เราเพิ่งสาธยายกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่บอกไว้แล้วว่าครอบคลุมนะสาระสำคัญของพุทธศาสนาเอาไว้แล้วก็เดียวกันก็เป็นแผนที่นำทางสู่ความพ้นทุกข์ถามว่าตัวเองตอนนี้มีความทุกข์ไหม นะความทุกข์เนมันมีสองอย่างนะทุกข์กายกับทุกข์ใจนะนะทุกข์กายนี่เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นนะต้องเจออย่างในธรรมจั ก, กรปธนสูตรที่เราสาธยายมาเนี่ยนะตอนที่พระอาจารสาธยายถึงทุกข์เนี่ยนะท่านก็บอกชัดเลยนะว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแ ก, กมแ่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะ เรียกว่าคนเราทันทีที่เกิดมาก็มีความทุกข์ตามติดแล้วก็ยังมีทุกข์ที่รออยู่เบื้องหน้าอยู่ในบทสวดธรรมวรเช้านี่จะมีข้อความตอนหนึ่งนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วในธรรมจักรพระรรสูตรก็พูดให้เรา เตือนให้เราตระหนักว่าคนเรานี่ห น, นีความแก่ความเจ็บความพัดพราบความตายไม่พ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวร้ายนะสำหรับคนที่เพลิดเพลินในความสุขนะหรือว่าอยากจะให้ชีวิต น, นี้สุขเต็มที่นะพอได้ยินว่านะความ อ ก, ก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์นะความป่วยก็เป็นทุกข์แล้วก่อนที่จะตายนี่ก็ออยังต้องเจอความพัดพราดนะทั้งพัดพลาดจากของรับของพอใจแล้วต้องเจอของที่ไม่รับไม่พอใจแล้วสุดท้ายก็มาโลงที่ความตายอันนี้ใครที่หวังความสุขก็อจจะรู้สึกว่ามันเป็นข้อความที่ไม่ให้ความหวังเลยนะ ให้ชวนถดถูเศร้าหมองแต่ที่จริงในคําสอนนี้เองเนี่ยท่านก็ให้ความหวังกับเรานะว่าคนเราเนี่ยสามารถจะพ้นทุกข์ได้จริงอยู่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บนะแต่ว่าแก่แล้วไม่ทุกข์ก็ได้นะเจ็บแล้วไม่ทุกข์ก็ได้นะรวมทั้งแม่ก็ทั้งตายแล้วก็ไม่ทุกข์ก็ได้แก่เจ็บ ป่วยตายนี่เป็นความทุกข์ทางกายแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องทุกข์ใจเสมอไปนะจริงๆแล้วความแก่ไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจนะความป่วยก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจแม้แต่ความตายก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจมันแค่เป็นความทุกข์ทางกายแต่ทำไมถึงทุกข์ใจนะทุกข์ใจก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นอย่างที่ ท่านตัดว่าเนี่ยว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อาจารย์ก็อธิบายเพิ่มมาเนี่ยที่ทุกข์เนี่ยกเพราะตันหานะตันหในกามเรียกว่าภาะเรียกว่ากรรมตันหาตันหาในความมีความเป็นนะอยากรวยอยากเป็นคนเก่งนะอยากเป็นนั่นเป็น น, นี่เรียกว่าตันเรียกว่าเพราะตันหาตันหาในความไม่มีไ ม, ม่เป็นก็ ค, คือความอยากจะพัดเทาออกจาก ว่าวะใดภาวะหนึ่งฉันเป็นคนจนเนี่ยรู้สึกว่าฉันเป็นคนจนฉันอยากจะออกจากภาวะนี้นะฉันเป็นคนไม่สวยในฉันอยากจะอยากจะออกจากสภาพนี้อันนี้เรียกวิภาวะตัณหาจนแม้กระทั่งรู้สึกว่าชีวิตที่มันทุกข์ทรมาร์เรือเกินอยากจะตายนะอันนี้ก็เรียกวิภาวะตัณหาคนที่ฆ่าตัวตายจํานวนไม่น้อยเนี่ยก็เพราะว่าทําด้วยแรงผักที่ช่ววิพาตันหา ให่ความอยากนะลวดรวมรวมกันว่าความอยากในรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยอันนี้แหละที่มันเป็นที่มาของความทุกข์เรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นะแก่นี่ไม่ทุกข์ก็ได้นะแต่ที่แกแล้วทุกข์เนี่ยเพราะมันมีความยึดมั่นในสังขารในร่างกายนี้นะอยากให้ร่างกายนี้เป็นสุขอยากจะให้ร่างกายนี้เป็นหม่อมสาวนะพอป่วยนะก็เป็นทุกข์ ไม่ใช่เพราะความป่วยมันเองเนี่ยทําให้เป็นทุกข์แต่เพราะความยึดมั่นในสังขารนี้อยากจะให้มีสุขภาพดีอยากจะให้มีสุขเวทนาไม่อยากจะให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นอันนี้เราเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นหรือตัณห า, าที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริง อ, อนนี้เมื่อได้ก็ตามที่สามารถจะ ถอนซึ่งอุปาทานก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อไปนะหรือว่าตันหาได้ดับสิ้นลงนะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายในสังขาร น, นี้ถึงเวลามันแก่ก็ไม่ทุกข์ใจนะถึงเวลาป่วยก็ไม่ทุกข์ใจนะเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของ สังขารเป็นธรรมดาของร่างกายให้ลองพิจารณาดูนะว่าที่เราทุกข์ใจเนี่ยมาเล้ะแต่เป็นเพราะความยึดมั่นถือมันทั้งสิน้นทุกเรื่องลูกเนี่ยนะก็อพอยึดมั่นในตัวลูกอยากจะให้ลูกเชื่อฟังคําพูดของเราอยากจะให้ลูกเขามีชีวิตแบบที่เราปรารถนาอยากจะให้ลูกเรียนในคณะที่เราต้องการะ อยากจะให้ลูกอ่าแต่งงานกับผู้หญิงที่เราเลือกนะเป็นต้นหรืออยากจะให้ลูกนะเชื่อฟังคําสอนของเราอันนี้รู้แล้วแต่เป็นความยึดมั่นถือมัน่นะถ้ามันยึดมั่นถือมั่นก็หนีไม่พ้นนะตัวกูของกูนั่นแหละยึดมัน่นมาเป็นกูที่จริงมันทุกข์ตั้งแต่ยึดมัน่นมาเป็นลูกของกูแล้วนะพอยึดมัน่นมาเป็นลูกของกูเนี่ยนะพอลูกไม่เป็นไปตามใจกูนี่ทุกข์เลย ทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำตัวเลวแหลกท้งที่เขาก็ยังเป็นคนดีเพียงแต่เขาไม่ได้เรียนในคณะที่เราชอบไม่ได้มีวิชาไม่ได้มีอาชีพแบบที่เราอยากจะเห็นแบบอันแบบนี้ก็ทุกข์ลวคนดีทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับที่ทุกข์นี้ไม่ใช่เพราะว่าสาเหตุอยู่ที่ลูกนะแต่สาเหตุอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่น อยู่ในใจเรานี่แหละเรียกว่าอุปาทานนี่เรียกว่าตันหาอันนี้แหละคือสมุทยัยคือแห่งแห่งทุกข์นะแล้วจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะก็ปล่อยวางนะละความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าดับตันหานะปทุมเทศนานะที่เราได้สาธิธยรม่สักครู่เนี่ยนะท่านบอกทางสู่ความดับทุกข์นะไม่ใช่ว่า จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะท่านนั้นไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็หนีไม่พ้นพระาษทั้งหลายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าท่านแก่ท่านเจ็บและตายโดยที่ใจไม่ทุกข์นะเพราะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมันในร่างกายสังขารนี้ไม่ได้ยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะท่านมีปัญญาและเห็นว่านไม่มีอะไรที่จะเป็นของเรายึดมั่นเป็นเราได้เลย มีปัญญาเห็นอย่างนั้นได้อย่างไรก็เพราะว่าท่านได้เจริญในองค์มรรคอริม่อมมีองค์แปดเราเรียกสัส้นๆว่ามรรคแปดนะแต่ว่ามรรคแปดนี่บางทีก็ทำให้เข้าใจผิดนะไปคิด่มีมรรคอยู่แปดเส้นมีหนทางอยู่แปดหนทางที่จริงไม่ใช่หนทางมีหนทางเดียวแต่ว่ามันมีหลายระดับเหนะมือนกับถนน่ะถนน ถนนที่มาที่จะสื่อจุดหมายปลายทางเนี่ยมีถนนเส้นเดียวแต่ว่ามันมีหลายชั้นนะก็คือว่าชั้นแรกก็ จ, จะเป็นทรายชั้นที่สองอาจจะเป็นกรวดชั้นที่สามมันจะเป็นหินชั้นที่สี่ จ, จะเป็นอเป็นยางหรือว่าเป็นปูนนะถนนเนี่ยเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยนะมันมีหลายชั้นหลายระดับนะ มร๘หรือผู้ที่เต็มยศว่าอริยมรมีองค์แปดเนี่ยมีความหมายอย่างนั้นอที่พระพุทธองค์หรือว่าภาษาวกเนี่ยได้บรรลุธรรมเห็นแจในสัจธรรมจนกระทั่งหมดกิเลสไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นเพราะว่าท่านได้จเจริญในองค์มรทําให้เกิดขึ้นตนะั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินะ ซึ่งที่จริงัากไปนี้ก็รวมก็ย่อได้เป็นสามนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลแล้วก็สมาธิสมาธิที่สมาสังกัปปะนี่ก็จัดอยู่ในฝ่ายปัญญาสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะอันนี้ก็เป็นเรื่องศีลแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสมาสมาธิอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิก็คือเรื่องของจิต จิตกับปัญญาแยกกันนะจิตเป็นเรื่องของสมาธิปัญญานี่ก็ชัดอยู่แล้วนะเป็นเรื่องของสมาธิติสัมมาฉังก็ปักนะถ้าาว่าเร า, าทำให้ภง ม, มัคทั้งแปดประการนี่จเจริญงอกงามก็จะรวมกันนะทาให้เธอกาลังในการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นแค่ความคิด ไม่ใช่เป็นทฤษฎีนะแต่มันคือความจริงซึ่งพระเจ้าเนี่ยก็เป็นประจักษ์พยานว่าเมื่อพระองค์ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยพระองค์ได้พ้นทุกข์นะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพทธิยานเนี่ยในธรรมจักกับปชนสูตรเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นแค่แผนที่สู่ความพ้นทุกข์เท่านั้นแต่มันยัง พูดถึงประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าด้วยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วนะพระองค์ก็ได้พลทุกข์เริ่มตั้งแต่พระองค์ได้มีนะมีจักสุนะจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญนะาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดือนแล้วแก่เราวิชาเกิดือ้แล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในเรื่องอะไรในเรื่องอริสัตย์สี่นะว่าทุกเป็นอย่างนี้สมุทัยเป็นอย่างนี้นิโรธเป็นอย่างนี้มรรคเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ได้ว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนะอนี่สำคัญนะเพราะว่าคนไปคิดว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องละที่จริงทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ท่านใช้ว่าปริญญาในสิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัย นกตัดต้นไม้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดกิ่งตัดก้านนะต้องไปรื้อที่รากเลยนะอันนี้ต่างหากนะรากคือสมุทยัยทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนิโรธเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งหรือทำให้ปรากฏซึ่งจะเป็นไปได้ก็เพราะว่าการทำให้เจริญในองค์มรรคหรือว่าปฏิบัตินั่นเองมรรคนีเป็นองการปฏิบัติ แล้วพระองค์ก็ยังมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างเกิดขึ้นในเรื่องอื่นด้วยในเรื่องนี้แหละว่าพระองค์ได้เห็นทุกข์แล้วนะได้ได้รู้ได้กำหนดรู้ได้รู้รอบในทุกข์แล้วสมุทัยก็ละได้แล้วนิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วนะเพราะว่าได้ทำให้มีองค์มรกเกิดขึ้นอย่างพร้อมพลังบริบูรณนะ์ อันนี้คือประสบการณ์ของพระพเจ้านะที่มาเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระองค์พูดเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเอานะเพราะตอนนั้นพระองค์กำลังแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์นะ <c oughs> พระองค์ก็เป็นเอาตั ว, ตวพระองค์เนี่ยเป็นตัวยืนยันนะว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเรื่องอริสัตย์สีเนี่ยนะมันเป็นความจริงที่ทําให้พ้นทุกข์ได้และพระองค์ก็อนะสามารถจะพ้นทุกข์ได้เพราะเหตุนี้เพราะสิ่งเหล่านี้นะ แล้ก็ไม่ใช่พระพุทธองค์เท่านั้นนะเมื่อพระกุลฑัญญาได้ฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานะที่จริงเนี่ยท่านก็ในเรื่องการทำองค์มรรคให้เกิดขึ้นท่านก็ทำได้เยอะแล้วแต่ว่ามันยังติดมันก็มีฝุ่นนะมีผงโดยเพราะเรื่องสมาธิทิฐิเนี่ยนะท่านยังมีมิจฉาทิฏฐนะิในเรื่องของ อ่าการเรื่องของทางสุดโต่งนะก็คือไปคิดว่าต้องทรมานตนถึงจะพ้นทุกขนะ์ให้เรื่องการผัวพันในกามหรือว่าการปนเปื้อนตนด้วยกามหรือคือการมาสุขาหรือการมนิโยโญเนี่ยอ่าปัญจวัคคีนี่เขาทิ้งไปแล้วนะแต่ว่ายังไปติดอยู่ที่อัตั ก, กริรมาฐานนิโยโญคือการทรมานตนนะอันนี้ก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ แต่ว่ามักตัวอื่นนี่ก็ท่านก็เรียกว่าได้ทําไปเยอะแล้วแต่พอเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหลังจากที่ได้ฟังทาวุเจ้าในเรื่องทางสายกลางก็ดวงตาเห็นธรรมทันทีซึ่งในสุดท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากที่ได้ฟังทำอีกอีกข้อหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งนะคืออนัตตลกนณสสูตรซึ่งพระองค์จะได้แสดงธรรมอีก สี่วันนะหลังจากที่ได้แสดงปฐมเทศนาห้าขั้เนี่ยห้าขั้เดือนแปดแล้วห้าข้เดือนแปดพระองค์ได้แสดงธรรมอนัตตลคนาสูตรตอนนี้พระเจ้ากิทั้งหมดก็ได้บรรลุธรรมเป็นผ้ารหันเลยแต่ว่าก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นร้ารหันเนี่ยผ่ า, ยา น, นยากคนทันยักษท่านก็ได้เป็นประจับษยพยาหรือเป็นเครื่องยืนยันนะว่า ที่พระองค์ตัดมาเนี่ยไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่แค่ปรัชญาอย่างที่นักปรัชญาในสมัพุทธกาลหรือว่าก่อนหน้านั้นนะเขาคิดเอาสิ่งที่พระองค์นำมาแสดงนี่ไม่ใช่คิดเอาแต่เป็นการค้นพบแล้วก็มาแจกแจงมาอธิบายให้เป็นระบบนะบางทีพระองค์ก็อธิบายในรูปของอริสัตย์สี่นะบางทีพระองค์ก็อธิบายในรูปของปฏิจจสมุป บ, บาทบางคนก็สงสัยว่าตกลงพเจ้าบรรุรรม ด้วยการเห็นธรรมข้อไหนนะอริสัตถีหรือปฏิจจสมุปบาทถูกต้องทั้งนั้นแหละสองข้อ น, นี่หลเพียงแต่ว่าพระองค์มีวิธีการอธิบายแตกต่างกันไปนะสำหรับปัญจวัคคีย์พระองค์อธิบายอาศัยหลักอริยสัตถีเนี่ยเพราะว่าอปัญจวัคคีย์เนี่ยยังติดในเรื่องของในเรื่องของทางสุดตรงอยู่อย่างที่บอกเราจะเห็นได้ว่าในธรรมจกักพปัตนสูตรเนี่ย ผรก็เริ่มต้นด้วยการเชี่ยเห็นถึงโทษของทางสุดโตง่งไม่ว่าจะเป็นอัตักเรียวมาทานิโยหรือการมาสุขขการานิโยเราก็เชี่ยเห็นในความจำความคุณค่าของทางสายกลางอันนี้เพื่อพูดให้ปัญจวัคคีย์ฟังโดยเฉพาะเลยนะเพราะปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อว่าไม่มีความคิดอยู่ในหัวเลยว่ามันมีสิ่งที่เราทางสายกลางด้วยนะก็ไปหลงอยู่ในทางสุดตรงเหมือนกับที่พระพุทธองค์เคยหลงไปแล้ว นะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราปฏิบัติตามนะด้วยการทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าทุกข์คืออะไรสาเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนนะแล้วก็เชื่อว่านิโรดนั้นมีจริงทางพ้นทุกข์นั้นเป็นจริง่นะพวกเรานี้ก็แม้จะเป็นชาวพุทธนี่แต่หลายคนก็ไม่เชื่อนะว่านิพพานมีจริงนิโรดมีจริง นะแม้แต่พระนี่จำนวนไม่น้อยก็คลางแคลงสงสัยว่านี่โลดมีจริงไหมนะเลยเพราะพวกที่เรียนแบบวิทยาศาสตร์นะก็ไม่เชื่อว่านิพพานมีจริงหรยถึงแม้อ่เชื่อว่านิพพานมีจริงนะมันก็ต้องรู้ือปฏิบัตินะด้วยการนะ สัมมาทั้งแปดประการให้เกิดขึ้นดันั้นวันอาสารบูชาเนี่ยนะเป็นวันที่มาจุดประกายความหวังแล้วก็ตอกย้ำกับพวกเราแต่ละคนแต่ละคนว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถจะพ้นทุกข์ได้นะไม่ใช่แต่พระ เ, เจ้าเท่า น, นั้นนะวันนนวิสาขาบูชาเนี่ยนะ ก็เป็นวันที่ผู้เจ้าเนี่ยส่งตรัสรู้แล้วก็พ้นทุกได้โดยพระองค์เองนะแต่ว่าบางกวอยจะคิดว่าเพราะพระองค์เนี่ยเป็นพ่อพระรศาสดาเป็นยอดมนุษย์เป็นอภิมนุษย์ถึงทําได้แต่ว่าธรรมเทศนาในวั น, นาสาบูชาที่เราเพิ่งสาทยายมานี้เนี่ยเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องตอกย้ําำจะให้ความหวังกับเราว่า เราเองก็สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะว่าท่านคกนธัญญนะท่านก็เป็นปุถุชนนะท่านก็หลงผิดหลงพลาไปเยอะในเรื่องการปฏิบัติแต่สุดท้ายท่านก็บรรลุธรรมไดนะ้เริ่มจากการเป็นโสดบัญญงตยเห็นธรรมนะจนกทั้งได้บรรลุอรหัตผลนะอยากจะให้มองนะธรรมจับกับปณพสูตรนะว่าเป็นคาสอน ที่ให้แผนที่เดินทางกับเราเพื่อความพ้นทุกข์และอยู่ในวิสัยที่เราทุกคนสามารถจะทำได้ปฏิบัติทั้งมักคมีองค์แปดแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัตินั้นนะั่นคือการพ้นทุกข์นะั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะมันธรรมาจากกักรปณส่วนจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา จะเป็นแผนที่นำทางสำหรับชีวิตของเราด้วยไม่ใช่แค่เป็นเรื่องราวของอพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,800 อปีที่แล้วแก็ไม่ใช่เรื่องราวของพระปัจจวัคคีนะอย่าไปมองแบบนั้นเท่า น, นั้นนะต้องมองว่าเรามาเรามาสาธยายเนี่ยเพื่อตอกย้าใน้กับตัวเราเองว่าเรามีหน้าที่นะที่จต้องปฏิบัติ กับตัวเองเพื่อถึงความพน้นทุกนี่คือหน้าที่ต่อต่อตัวเราแล้วก็หน้าที่ต่อธรรมแล้วก็เป็นการทําให้ความเป็นนึกของเราเนี่ยมันเกิดประโยชน์คุ้มค่านะนะถ้าเรามาเพียงแค่สวดแล้วก็ระลึกถึงว่าวันวิวันอาสารรบูชานี่คือวันอะไรนะพระองค์แสดงธรรมอะไรนะนเสร็จแล้วก็มาเวียนเทีย น, นเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม นะไม่ได้คิดที่จะไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังนะเสร็จแล้วไปถึงบ้านก็บอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติทําไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะมันยุ่งเหลือเกินเคยมีคนพูดอย่างเนี้กับหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ถามว่าแล้วทําไมมีเวลาโกรธทําไมมีเวลาทุกข์นะ เวลาโกรธเวลาทุกข์นี่โอ้ยจมอยู่ในความโกรธความทุกข์เป็นวันวันเป็นเดือนๆือนเป็นปีปีทาไมมีเวลาโกรธมีเวลาทุกข์ในเมื่อมีเวลาโกรธมีเวลาทุกข์ได้ทําไมจะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมนี่อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าเวลาที่เราหมดไปกับความโกรธความทุกข์ความเศร้าเสียใจนะด้วยซ้ําเนี่ยลองทบทวนดูนะลองประมวลดูให้เวลาที่เราหมดไปกับความทุกข์นี่ย ถ้รารวมกันตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัด น, นี้นี่หลายคนนี่อาจจะรวมแล้วนะเป็นยี่สิบสามสิบปีก็ได้นะเรามีเวลานอนนะหนึ่งในสามของชีวิตนะแต่ว่าเราหมดเวลาไปกับความโกรธความทุกข์เนี่ยนะอาจจะไม่ถึงหนึ่งในสามก็ได้หรืออาจจะหนึ่งอาจจะเกินกว่าหนึ่งในสามก็ได้นะและอย่างนี้จะบอกได้ไงว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม ในเมื่อเรื่องไอ้ความทุกข์ความเศร้าความโศนนี่เรายังมีเวลาให้กับมันมากมายอย่างนั้นเชนะ่นถ้าอยากจะควนทุกข์นี้ก็ต้องกลับมาศึกษานะธรรมาจาักกับวัตถสูตรมาศึกษาเรื่องไอิสัตว์ศีลทำความเข้าใจเลยเพราะข้อแรกเนี่ยเริ่มแต่ข้อแรกเลยว่าทุกข์คืออะไรแล้วก็ควรทำยังไงกับทุกข์นะูุจจานี่ต้องใช้ เวลานะกว่าจะรู้ว่าอ๋อทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะพระงได้ตัดไว้นะว่าเนี่ยจักขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ท่านใช้ก็ว่าปริญญานะทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้จะรู้ได้ก็ต้องเเริ่มต้นด้วยการเห็นทุกส่วนใหญ่เนี่ย ไม่ใช่เห็นทุกข์นะเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เลยส่วนส่วนใหญ่ในเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเวลาทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเช่นแก่เช่นเจ็บเช่นปวดนะพัดภาพเจาะของรักเนี่ยพอทุกข์ปุ๊บนี่เป็นทุกข์เลยนะแทนที่จะเห็นมันนะเพราะว่ า, าการรู้ทุกข์เนี่ยนะรู้ทุกข์รู้รอบเนี่ยเกิดขึ้นนี่มันต้องเริ่มจากการเห็นก่อนแต่ถ้าก็าไปเป็นนี่ก็หมดนะเมันก็มีกลองไฟอยู่เนี่ย เ้าอยู่ในกองไฟเนี่ยมันจะเห็นกองไฟได้อย่างไรเ้าอยู่ในกองไฟคือเป็นทุกข์แล้วถ้าจะเห็นกองไฟก็ต้องออกมาจากกองไฟถึงจะเห็นได้และตรงนี้แหละที่สติสำคัญมากนะทำความเข้าใจใดีนะเรื่องกิจที่ควรทำต่ออนิสัตว์นะส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธเนี่ยเรารู้จักแต่เพียงว่าทุกขสมุทัยนิโรธมักคืออะไร แต่ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนต่อแปลว่ากิจที่ควรทําต่ออริยสัจสี่ข้อนี้คืออะไรเวลาเรียนนะในโรงเรียนเนี่ยเรียนไม่ครบนะเรื่องอริยสัจสี่รู้แค่เรื่องเรียนเรื่องเฉพาะแค่สัจจยานสัจจญาคือความรู้ว่าทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรแต่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องกิจจยานกิจจยานแปลว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละ นี่รวดเป็นสิ่งที่ทำให้แจ้งทำให้ปรากฏมากเป็นสิ่งที่ทำต้องทำให้มีขึ้นหรือทำขึ้นมาตรงนี้ไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหรนะ่แต่ว่าถ้าเราเรียนเนี่ยสำคัญมากนะว่าทุกเป็นสิ่งต้องรู้นะมีครูบาอาจารย์บอกเนี่ยทุกมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นนะถ้าเราเห็นทุกเมื่อไรเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราเห็นทุกเราก็จะรู้ว่าทุกเกิดจากอะไร แล้วเมื่อเรารู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเราก็รู้ว่าขนทางอห่างเราก็จะรู้ว่าทางไม่การไม่ทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไรนะทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นความไม่ทุกข์คือการที่ละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเราก็จะรู้ต่อไปว่าเออแล้วจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไรอะไรคือขนทางสู่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นรือการปล่อยวางนะมันต้องเริ่มต้นจากการเห็นทุกข์ แลถึงจะรู้ว่าทุกเกิดจากอะไระเห็นสมุดก็จะเข้าใจเรื่องสมุดไทยฉนะนั้นทำครับเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้อง่อาไปเิดื่อเป็นเรื่องง่ายๆนะหรือว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแล้วที่จริงการเห็นทุกนี่ส่วนใหญ่ก็ทำกันไม่เป็นนะทุกทีแล้วก็เป็นทุกทัน ท, ท, ทีเลยอย่างนั่งอยู่เนี่ยปวดเมื่อยเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยเนี่ย เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะไม่ใช่เห็นความปวดความเมื่อยนะเนี่ยทุกเนี่ยมันกำลังแสดงตัวให้เราเห็นนะสวดไปนะธาาารรมจักรปตะนาสูตรสาธยายไปแต่ไม่เข้าใจความหมายหรือว่าเข้าใจแต่ไม่เอามาใช้นะเราก็เลยเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้ปวดอยู่ขณะดนี้แต่ถ้าเราฟังแล้วสาธยายแล้วเออได้ได้สติได้ค่อยคิดขึ้นมาเราก็จะเริ่มที่จะเป็น เรก็เริ่มที่จะเรียนรู้การเห็นความปวดความเมื่อยไม่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยท่ น, นี่แหละคือความหมายเริ่มต้นนะของอวันอาสาฬบูชาหรือว่าสาระที่เป็นจุดเริ่มต้นนะของที่เราจะเรียนรู้ได้จากธรมกรมจักรปปัตนาสูตรและนี่แหละคือความสำคัญของวันเพ็ญเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาฬบูชา ที่จริงเนี่ยวันเพ็เดือนแปดก่อนหน้านั้นหกปีนะก็เป็นวันสําคัญเหมือนกันนะวันเพ็เดือนแปดเนี่ยนะมันไม่ใช่มีความสําคัญเฉพาะเป็นวันอาสาบูชานะก่อนหน้านั้นเนี่ยหกปีหรือเจ็ดปีเนี่ยนะมันคือวันที่พระเจ้าเนี่ยคือเจ้าชายสิทธัตถเนี่ยออกบวชนะเสด็จมาพิณสกล์นะ เราเรียกเต็มยแบบนั้นคือวันที่พระเจ้าเนี่ยตัดผมนะแล้วก็ออกบวชแล้วคงทราบใช่ไหมว่าพู้เจา้าเนี่ยได้เสด็จออกจากพระราชวังด้วยม้ากักนทกกากับชนะหลังจากที่พระองค์ได้เห็นนิมิตสี่นะเรื่องของเลือกก็อย่างที่ตำนานว่าเนี่ยวันเทนวันที่สิบสี่ค่เดือนแเนี่ยนะก็เห็นคนแก่ คนเจ็บคนตายก็เกิดความสดสดหดหูวันรุ่งขึ้นสึกประพ า, าณุทยานก็ไปเห็นนักบวชนะก็เกิดความเลื่อมสายเกิดศรัทธาแล้วเห็นว่านี่เราคือทางออกนะทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายเช้า ว, วันนั้นเนี่ยพระองค์เห็นนะเห็นนักบวชนะวันสิบห้าค่ำเดือนแปดเนี่ยเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็ตัดสินใจหนีออกจากวังเลย เพื่อจะบวชแล้วก็ตัดผมนะอันนี้ว่าเสด็จมาพิเนศกรมวันเทนเดือนแปดนะสอธิภ า, าคัมเดือนแปดแต่คนละปีนะก่อนที่พระองค์จะแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเนี่ยนะหกปีนะถอยหลังเปอีนะสามสิบปีนะเนะระตอนที่พระเจ้าตอนที่สมัยที่ยังเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ย คือหลังจากที่พระองค์ได้พระโพธิสัตว์นี่ชาติสุดท้ายนี่คืออะไรคือพระเิสันดอนใช่ไหมนะพ อ, อะสิ้นระช น, นก็ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตนะแล้วก็วัน 45. ขึ้นสิบห้าค่เดือนแปดก็เป็นวันที่เทวดาที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้จุติมาปฏิสนธินะในพักในคันของมะนางสรีหม า, มายา วันเพ็ญเดือนแปดนะคงได้พระโพติสัตว์ได้ปฏิสนธินั้นะมาอยู่ในคันของพระนางสิมาหมายาแล้วก็หลังจากนั้นสิบเดือนก็ได้ประสูตรนะวันเพ็ญเดือนหกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเพ็ญเดือน8ปดนี่มีความสำคัญหลายอย่างนะเป็นวันที่ทั้งแสดงปฐมเทศนา แล้วก็วันที่มีพระรัตนตรัยครบองศาแล้วก็เป็นวันที่พุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกบวชซึ่งทําให้คนพบหนทางการตรัสรู้และเป็นวันที่เทวดาพระโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยมาปฏิสนธินะในคันของพนางสิมายานะเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเริ่มจากการที่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาอยู่ใน โลกมนุษย์นะเพื่อจะบำเพ็ญนะเรียกว่ากิจครั้งสุดท้ายถ้าเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นนักบวชนะตอนนั้นยังไม่เป็นพระเจ้านะจากเทวดามาเป็นมนุษย์และจากลูกกษัตริยนะ์เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นนักบวชเป็นอนาคาริษ ว่าพอบรรลุธรรมแล้วนี่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วหรือที่เรียกเป็นการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าพอพระองค์ได้แสดงธรรมจนกระทั่งมีผู้บรรลุธรรมมีคนบวชคือปัญจวัคคียพระองค์ก็เริ่มก็เปลี่ยนจา้าพระพุทธเจ้าธรรมดาเป็นพระบรมศาสดาแล้วเพราะว่าพระพเจ้าที่ไม่สอนก็มีเยอะนะเรียกว่าพระปัิเจพุทธเจ้าแต่พอสอนแล้วมีผู้ติดตามก็เรียกเป็นพระพุทธเจ้าหรือหรือว่าพระบรมศาสดา ที่แลว้วเราพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาก็พระพรมสอนไม่ได้อยู่เฉยไมไ่ตัดสั้นุเฉพาะพระองค์เองแต่ว่าได้บำเพ็ญประโยชน์นะสอนให้ผู้คนได้บรรลุได้พ้นทุกข์ตามพระพุทธองค์ก็เลยได้ช่วยเป็นพระบรมศาสดาเป็นครูนะบรมครนะูอันนี้ก็เป็นเกร็ดนะเกี่ยวกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เราชาวพุทธชนจะรับรู้เอาไว้นะ แล้วก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเนี่ยุยตีเพียงเท่านี้